ب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ن เย ن ا นะช่ ن งฝนนี่จะเยอะเงี้ยนะไม่มีฝนนี่ก็ หลักฝนก็ดีเหมือนกันนะ้นในบุญหลายเท่าอย่าลืมขอดุทิศฝนตกอัลลอฮุมะซิญบันนะครับช่วงนี้ตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับวันนี้เป็นอายญาี่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นำบทเรียนของพฤติกรรมมูนาฟิกีน มาเป็นอุทาหรณ์ในสังคมมุสลิมซึ่งเป็นอุทาหรณ์ที่พวกเราในยุคนี้ในช่วงนี้เนี่ยมีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะต้องนํามาพิจารณาไตรตรองแล้วให้อุทาหรณ์นี้ได้เป็นประโยชน์การประยุกต์ใช้ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาชีวิตของเราปัญหาของสังคมปัญหาทุกปัญหาที่ปรากฏในสังคมมนุษย์นั้นมันเกิดมันเกิดจากสภาพจิตใจของตัวเองลอ ง, ลองย้อนไปดูแทบทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยอาชกรรมทะเลาะเบกแวงเรื่องทุกตีกันเนี่ย เขาบว่ามาจากสิ่งเสพติดมาจากมาจากมาจากปัญหาความเหลื่อมลำ้ำแต่สิ่งเสพติดนี่มาจากอะไรก็ามาจากกิเลสไมชเหลื่อมล้ำนี่มันมาจากมันมาจากความตระหนี่ความหวงหวงแหนไม่ช่วยเหลือคนอื่น เอาทรัพย์สินมาเป็นของตัวเองคนเดียวและไม่เห็นหัวคนอื่นไม่ใช่ปัญหาครอบครัวทุกวันนี้ก็มาจากกิเลตนั่นแหละความที่คู่ครองสองคนไม่อดทนมีปัญหาจิตใจฝ่ายหนึ่งอยากได้ฝ่ายหนึ่งไม่มีจะให้อันนี้ก็กิกเลส ฝ่ายนึงรู้สึกว่าเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็กิเลสฝ่ายหนึ่งพูดจา Fourth, ดูถูกดูหมิ่นอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็กิเลสการแกร้ไขแก้แกรรแไขภายในเนี่ยจากภายในเนี่ยสู่ภายนอกมันคือเส้นทางที่ถูกต้องในการที่จะในการที่จะนํามาสร่งความสงบ ในทุกเรื่องของสังคมมนุษย์ยิ่งถ้าปัญหาจิตใจนี่มันเกิดจากการปฏิเสธศัตธรรมไม่ยอมรับในความจริงมันก็จะนำมาเส้นผลลัพธ์ของการที่ไม่ยอมรับศัตธรรมความจริงก็คือไม่ยอมรับความจริงและสัตรธรรมเสมอไปความประจักษ์เกี่ยงความเป็นพระผู้เป็นเจ้านี่ เรื่องเด่นชัดแบบนี้ถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยก็มีโอกาสปฏิเสธเรื่องอื่นง่ายๆความศรัทธาจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการรู้ข้อเท็จจริงเพราะเพราะถ้ารู้จักพระเจ้าแสดงว่าแสดงว่ายอมรับในความเป็นจริงให้เป็นที่ตั้งให้เป็นบรรทัดฐานและจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาก็คือยอมรับความความจริงเนี่ย ยอมรับความจริงถึงจะถึงจะเริ่มแก้ไขปัญหากุมุนอาฟิกีเนี่ยไม่ได้ออกไปสู้ร่มกับท่านนาบีซุลลัลละวะไลฮะสัลลัมเพราะกีเลเพราะที่เกียดหวงทรัพย์สินของตัวเองว่าเป็นชาวสวนและฤดูร้อนเนี่ยเป็นช่วงช่วงเก็บเกี่ยวอิมพะลลัมช่วงตากอิมพะลลัมช่วง ดูแ ล, ลผลผลิตของเกษตรโอ้ยจะมาว่าอะไรมดมามามาจิฮาดมาอะไรช่วง น, นี้นี่มันเป็นเรื่องปากท้อ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งตั้งทามาหากินเรื่องเรื่องรายได้แต่หารู้ไม่ว่าการที่ปล่อยให้ศัตรูเข้ามาบุกรุกนี่ก็มันก็ไม่เหลืออะไรเลยบ้านเาก็จะไม่มีเลยชีวิตก็จะหาไม่เนี่ยละซบฮานอวะตาอะลเในัยอัย ก่อนหน้านี้เนี่ยอะสิสิบห้านี่ได้บอกว่าการต่อสู้ศัตรูนี่มันเป็นความรับผิดชอบแห่งความสำนึกแต่หากว่าไม่สำนึกในหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะที่จะรู้หน้าที่และจะปฏิบัติตามหน้าที่เราจึงบอกว่า คนที่จะมาขออนิญาตไม่ไปสู้รบไม่ไปจิฮ้ฮักับท่านนี่ยี่นี่ก็คือคนที่หัวใจของเขาเนี่ยมีโรคมีความลังเลไม่หนักแน่นในการรักพักดีต่อคำสั่งสอนต่อต่อบัญชาของเรา سبحانه ะมูฮัมหมัลแต่มาถึงจุดจุดที่เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เขา ไม่ยอมออกไปสู่รากับท่านนบี صلى الله عليه وسلم ในอายาศิษย์สุขเนี่ย allah subhanahu w จึงมาแจกแจงมาอธิบายให้เราได้ทราบว่านี่คือสาเหตุที่ทาไมเขาไม่ออกไปแย้กับท่านนบีดูสิมันมีในตัวเราไหมรับบุญละห์มินะชัยตันรจีม ولو أراد الخروج لا أعد له ردة ว่าแต่การที่เขาต้องการออกไปออกไปญิหาดน่ะหาเขาต้องการหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยมีเจตนาุมจากภายในของเขาเนี่ยที่จะกระตุ้นให้เขาออกไป j ิ h าดนี่ถ้าเขามีเรื่องนี้จริงๆนั่นะแน่นอนพวกเขาต้องเตรียมและอาดดูต้องเตรียม อุดเดอุดเด่เครื่องมือต่างๆความพร้อมต่างๆแต่ทีนี้เขามาแปลคำว่าอุดไดเนี่ยแปลว่าสัมภาระสำหรับการออกไปสัมภาระสัมภาระนี่มันก็ก็คือเครื่องมือต่างๆจะาทำกับข้าวต้องมีอะไรมีมีมีมียีมีกระทะมีม้ออะนี้เครื่องมือของ ของอาชีพนี้จะเป็นช่างไม้ก็ต้องมีไขควงต้องมีเลื่อยต้องมีต้องมีกระดาษอะไรกระดาษอะไรนะอก็ต้องมีเครื่องมือของแต่ละอาชีพจะไปจีฮานก็ or, ต้องมีอาวุธต้องเตรีย ม, ว ม, มความพร้อมความพร้อมเร่งเร่งร่างกายสรนิระด้วยนะอไม่ใช่ว่าวิ่งสิเก้าก็ไอหอหอหแล้วก็จะออกไปจีฮาน แต่กอนนูนะ้นน่ะเยาวชนบางกลุมเนี่ยเขามีเขามีความกระตือร้นไงตอนสมัยยุคของก้อยด้ายุคของก้อยดากำลังสู้กับอเมริกาโอ้อยากไปเหลือเกินแต่าภาพเบลลาดินนี่ภาพรวมมก็เป็นวีรบุรุทษที่กล้าต่อสู้กับอเมริกาไม่เป น, นจริงนะ อเมริกาก็ถ so ือว่าบิลลาดินตอนนั้นน่ะรัสเซียไม่ใช่แล้วนะจีนนะไม่ใช่ศัตรูหมายเลขหนึ่งของอเมริกานี่ก็คือกอยด้าและบิลลาดินสถาปนารางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานี่นั้นเท่าไหร่ก็ม่รู้ยี่สิบห้าหรือห้าสิบล้านดอลลาร์ใครแค่ให้ข้อมูลของบิลลาดินนี่นี่ยจับกลุ่มได้ห้าสิบล้านดอลลาร์เยาวชนเราก็กรู้หูนี่ยเอยากไปเหลือเกิน แต่การที่เขาอยากไปเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาเนี่ยได้เกิดความพร้อมในการที่จะมีส่วนร่วมในการแย่งอยากไปนี่ไม่ว่านะอยากไปทุกคนเนี่ยทุกคนในการที่จะการที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแย่งเนี่ยต้องมีอยู่แล้วดังท่านอับดุลลอฮฺสัลัลลอฮฺสะลาห์ใน hadis บรรดุลีมะมุสลิมมันมาแต่ ผู้ใดที่เสียชีวิตแล้วเนี่ั ل أ ا و و م يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعب من النفر ผู้ใดที่เสียชีวิตแล้วไม่ได้ไม่เคยออกไปสู้รบไปญิ h a d หรือตั้งใจที่จะสู้รบ j ิ h a d จะเสียชีวิตในสภาพที่มีความเป็นมุนาฟิกส่วนหนึ่งคือสถานะเป็นมุสลิมนี่นะต้องสู้รบในทุกรูปแบบ หรือตั้งใจที่จะสูรุก็บอกว่าเหมือนละหมาดดูรี่นี่เวลาดูรี่เท่ากี่โมงละเที่ยงขึ้นสมมุตินะเที่ยงคึ่งแต่เราไว่ไ้ละหมาดตรงเวลาเพราไม่สะดวกเราจะละหมาดบ่สองบ่สามเพราะอารีนี่มันเท่าไหร่ละสามครึ่งเราจะละหมาดบ่สองบ่ายสามเอาสมมุติว่า ช่วงเวลาละหมาดเขา้าแค่เที่ยงครึ่งเนี่ยเราก็รอที่จะไปละหมาดบ่ายสองถ้าเราเสียชีวิตบ่ายโมงครึ่งแหะเราจะเสียชีวิตโดยมีบาปไม่ละหมาดไม่ได้ละหมาดดุฮุรีไหมถ้าเรามีความตั้งใจว่าจะละหมาดบ่ายสองมงนะ่ะเราจะไม่บาปเห็นไหม ความตั้งใจนี่มันมีสถานะภาพเหมือนการกระทำเลยนะตั้งใจละหมาดเหมือนละหมาดแล้วเพราะอัลลอให้อัลลอฮฺประวิงเวลาละหมาดเนี่ยให้ถึงบ่ายสามงึเราจะเลื่อนไว้ี่มีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องตั้งใจแต่ประเภทแบบว่าเดี๋ยวดูดูบอลให้เสร็จก่อนเดี๋ยวหมอนนี่ให้หมดก่อนเดี๋ยวกมนี้ใ ห, ให้จบรอบนี้ก่อน และเสียชีวิตตอนนั้นเลยเนะี่ยอันนั้นแบบบาปแน่นอนบาปแ น, น, น่ต้องมีความตั้งใจเรื่อง jihad ก็เหมือนกันไม่พร้อมก็ต้องมีความตั้งใจต้องตั้งใ จ, ตงใจแต่อยากรีฮอยากจะรีฮั ด, จจดและไม่มีความตั้งใจเลยไม่มีความตั้งใจเลย อันนี้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าพ้นบาปเอาแล้วความตั้งใจนี่มันคือความตั้งใจนี่มันต้องมีปัจจัยคือถ้าเราไม่ได้บิณฑ์แต่เรามีความตั้งใจปัจจัยต้องเ ต, ตรียมตัวต้องเตรียมตัวเยาวชนที่จะไปจะไป jihad ไปอัฟกันก็ถามเยาวชนคนหนึ่งนี่จะไปอัฟกานที่ศาราใช่ไหมก็ใช่แล้วคนที่ไม่ไปนี่ถือว่าบาปถือว่าถือว่า บกพร่องในเรื่องในเรื่องมีมีค่าตัวใบยังอย่างเละเตรียมตัวที่จะเก็บค่าตัวอย่างอย่างมาให้ผมเหนื่อยกับคุณทำไมล่ะพื้นฐานนะครับเราก็ตั้งใจจะละหมาดตั้งใจจะละหมานี่ก็แสดงว่ามันมีปจัจจัยใช่ปะ ตั้งใจจะลามานี้ก็มายถึว่ามีความพร้อมแล้วจะอาบนั้นละหมาดมีความพร้อมที่สถานที่ละหมาดมีความพร้อมแล้ ว, ลาา ว, รลวเรื่องเรื่องแต่งตัวแต่งกายอะไรต่างๆนี้มีความพร้อมแต่ตั้งใจอย่างเดียวโดยไม่มีปัจจัยอะไรเลยเนี่ย น, นี้เขาไม่ได้กว่าตั้งใจตั้งใจต้องมีต้องมีปัจจัยบางอย่างอันเป็นหลักฐานอันเป็นหลักฐานที่เราจะเสนนึงต่ออัะนะลลซุบฮฮานาห์ดารา ว่าว่าเรามีความปรารถนาที่จะทำอย่างนั้นจริงๆเทียบแล้วเรื่องนี้เนี่ยเทียบเหมือนกันนะครับเรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานถ้าเรายึดในทศนะของอิมามเนาะฮัสมุวการแต่งงานเนี่เป็นว ا ิบแต่ทศนิยนาะฮัมแต่งงานเป็นาจิบไม่แต่งนี่บาปบาปนี่หมายถึงว่ามีนลิกามัย นับเลยทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงบาบาบาบาบาบ า, บาถ้าไม่มีเหตุผลเลยในการตั้งใจแต่งงานทำไมไม่แต่งงานไม่พร้อมต่อมาดูแล้วนี่บานกับเพราะเงินเดือนกับเพราะรถก็มีบ้านกับมีทุกอย่างกับมีไม่พร้อมไม่พร้อมเคือเรื่องอะไร ไม่พร้อมก็คือก็คือไม่อยากยังยังไม่ไ ม, ไม่ยังไม่ได้สิ่งที่มันสมหวังอนะ่ะไม่ไม่ไม่ไมปฏิเสธนะว่าเงื่อนไขอะไรบางอย่างนี่ในการแต่งงานเนี่ยศา ส, สนาให้เหตุผลเช่นสวยไม่พอเป็นเหตุผลไหม ฮะเป็นเหตุผลแต่มันจะมีขีดจํากัดไงพอถ้าไม่จํากัดนี่นะก็รอไปแต่งงานในสวรรค์นเนี่ยกับนางสวรรค์ได้เลยไม่ต้องรอที่ดุน ญ, ญานี่ไม่มีนะที่อยู่ที่ที่เป็นที่เป็นคุณสมบัติในสมองนี่นะตรงอย่างงี้นีโอ้อันนี้ไม่มีในโลกดุน ญ, ญานี่นางงามก็ไม่ใช่นางงามก็ไม่ใช่รอเดี๋ยวไปแต่งงานไปแต่งงานในสุนสวรรคดีกว่า และทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องทํามานะเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องนี้เลยต้องมีความถ้ายังไม่ทำเนี่ยต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมการเรียนรู้คุรากนก็เป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องจําเป็นเรียนรู้คุรานทําไมไม่มาเรียนวันอังคารอ๋อผมเรียนที่อื่นอ่นี่เหตุผลผมเรียนเตมไม่ต้องมาเรียนที่นี่อ่ะนี่เหตุผล อ๋อดูผมพยายามศึกษาทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้แชท GPT มันตอบได้ทุกอย่างตอบแม่นกว่าเช็คอีกถามเลยเรื่องอะไรเนี่ยมันตอบให้มันมันอของมันมันโนมันเดี๋ยวนี้มันมันมันล้ำหน้าแล้วมันน้ไอไม่นานเนี่ยไม่มีเช็คนั่งเนี่ยจะมีจะมีอมานั่งธิบาบตับซี ก็ขอยมีเหตุผลว่าจะศึกษาเรียนรู้ที่จริงนะอัลลอฮุสซาลาหม่าจะละให้นะเป็นเป็นเนวมาที่อัลลอฮ์ให้นะในยุคนี้ในการศึกษาเรียนรู้ศาสนานี่เหมือนไม่ได้ยากเหมือนเหมือนสมัยก่อนนะแต่อก่อนนั้นนะ่ะรองเท้าผมนี่ขาดนะต้องเย็บรองเท้าเองเนี่ยจะได้ประหยัดค่ารองเท้าซื้อหนังสือซื้อนังสือแต่ละเล่มเนี่ยจะได้เก็บงูจะได้มีห้องหนังสือและสามารถอ่านได้แล้วก็ทันวิชาการของของ กระบวนการการศึกษานี่ต้องการโน้นนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยวนี้แต่ไม่ต้องซื้อหนังสือแม้แต่เล่มเดียวแม้แต่เล่มเดียวข้อมูลนี่เราเก็บซื้อเก็บซื้อคอมโน้ตพวกสักตัวหนึ่งก็มีค่าเน็ตแลก็โอ้โหศึกษาได้เต็มที่เลยแต่ก็ต้องมีความพร้อมคือต้องมีปัจจัยตรงนี้เหมือนกันนะ เยาวชนในเวลามีปัจจัยที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างมีโน้ตบุ๊กมีอินเทอร์เน็ตไว้ดูหนังไว้ดูไว้เล่นเกมไว้อะไรแล้วมันไม่มีไว้เรียนรู้ศาสนาบ้างหละกอันนี้มันก็จะเป็นมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่จะโดนเรื่องบาปเพราะมีปัจจัยแล้วและไม่ทำ แล้วไม่ตั้งใจทำแล้วไม่ตั้งใจทำยังไงอ่ก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้สร้างปัจจัยไงไม่ได้สร้างโอกาส ใ, ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อตลเราจึงบอกว่าถ้าเขาต้องการจริงๆนะั่นแต่เขาต้องการที่จะจริงๆนะนะแน่นอนพกเขาต้องเตรียมต้องเตรียมตัวเตรียมสัมภาระสําหรับการออกไปนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมสัมภาระแต่เขาไม่ได้เตรียมสัมภาระ แล้วทำไมาเขาถูกตําหนิล่ะพวกมุนาฟิกินก็เพราะเขามาบอกกับท่านนบีนบีเราอยากจะไป jihad จ, จริงๆเราอยากจะ jihad จ, จริงๆแต่ไม่สะดวกเราไม่พร้อมคนนี้ก็ป่วยคนนู่นก็ไม่เรื่องจุกจิกอะไรยุ่มยิ้มก็เราบอกว่าที่จริงเนี่ยที่เขาบอกว่าเราอยากจะเบสจริงจริงหน่งมันไม่จริงถ้าเขาอยากจะไป jihad จ, จริงจริงนะเขาต้องมีการเตรียมตัวเอาแล้วเขาทาไมเขาไม่เตรียมตัวล่ะ ทีนี้อัลลอ์ได้อธิบายว่าสาเหตุที่เขาไม่ได้เตรียมปัจจัยเนี่ยมันมาจากสองอย่างเรามาตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยว่าอันไหนที่มันมาก่อนอัลลอ์บอกว่าแต่เท่าว่าอัลลอ์ทรงเกลียดการออกไปของพวกเขาอลลาเกลียดเ ล, ลาไม่อยากให้เขาออกอัลลอ์ไม่อยากให้เขาออกไปจีฮะ พระองค์จึงได้ทรงกีดขวางพวกเขาไว้และได้ถูกกล่าวว่าหมายถึงว่าถูกแช่งว่าท่านทั้งหลายจงนั่งหมายถึงว่าอยู่กับที่นี่แหละจงนั่งกับผู้ที่นั่งทั้งหลายผู้ที่นั่งเนี่ยกอริษนี่นะมันเป็นฉายากอริษนี่เป็นว่าคนที่ไม่ออกมุจาฮิตคนที่ไปจิหัด แล้วคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดออกไปญาตนะเขาจะกอดเป็นฉายยาฉายาของคนที่ไปญาติเนี่ยมุญา ه ิดฉายยาของคนที่ไม่อยากออกไปญาตินี่ยกออดกอดนี่ต้องแบบคนที่มีความพร้อมและไม่ไปถึงจะได้กว่ากอดกอดจะเป็ยว่านั่งในเชิงภาษาเนี่ยระหว่างนั่งกับยืนในเชิงภาษาเราว่านั่งกับยืนน่ยนั่งนี่มันลบนะทาไมอ่ะ เพราะท่ายืนนี่คือท่าที่สมบูรณ์ที่สุดท่ายืนนะ่ะนะมีความพร้อมถ้านั่งนี่ก็คือท่าคนที่อ่อนแอคนที่ไม่ไม่เอาไหนจึงถูกเรียกคนที่ไม่ออกมาจากเนี่กยกราดนั่งพวกเจ้าจงนั่งอยู่กับผู้ที่นั่งทั้งหลายเถิดนะัอยู่อยู่อยงั้นอยู่อยู่ไม่ได้เรื่องอยู่กับคนนี่ทาไมอ่ะเพราะคนที่ ไม่จำเป็นสำหรับเขาที่ต้องออกไปจิ h a d หมายถึงว่าที่อัลลอห์ไม่เอาโทษลากเขาเนี่ยใครสตรีพิการคนป่วยคนตาบอดแต่ถ้าคนที่สมบูรณ์และมีความพร้อมและไม่ออกไปวิจาห a d เนี่ยก็ก็ก็กกกกกกมีสถานะเหมือนคนเหล่านี้เป็นสตรีเป็นคนพิการคนตาบอดหรือคนที่ไม่มีความพร้อมทนี้ เราจะบอกว่าคนที่ไม่ได้ออกไปจิฮัตเนี่เพราะอัลลอฮ์รังเกียจไม่อยากให้ออกไปจิฮัตหรือเพราะตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากออกไม่อยากออกไปจีฮัตอันที่จริงแล้วถ้าตรวสอบเรื่องนี้แล้วทุกอายะห์ทุกฮาดีษทุกตัวบทที่อัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์นี่ให้เขาทําความชั่วอัลลอฮ์นี่กีดกันไม่ให้เขาศรัทธามักจะเป็น ผลลัพธ์จากจุดเริ่มต้นของมนุษย์เนี่ยที่ไม่อยากเริ่มต้นในการพักดีต่อลระสุภารูปธรรมเช่นคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระเจา้าจะถือว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เขาไม่ให้เขาศรัทธาต่อพระเจา้าหรือถือว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้ความจริงแล้วก็ไม่ยอมศรัทธาในพระเจา้า จุดเริ่มต้นที่อัลลอฮสุบฮานาห์วาจาอาจจะถือว่าเป็นเหตุผลในการลงโทษนะก็คือเจตนาของมนุษย์ถ้ามนุษย์มีเจตนาที่จะรับทางนำนะเลาจะให้ทางนำเนีนน่ยเราจะไม่กีดกัน้น ไ, ไ, ไม่กีดขวางแน่นอนแต่ถ้าอัลลอฮฺกีดขวางเมื่อไรแล้วก็แสดงว่าคนคนนั้นนะ่ะชีวิตของเขาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นในการปฏิเสธอัลลอจึงกีดขวาง ไม่ให้เขาศรัทธาอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาเนี tests, いい่ยไม่มีความตั้งใจที่จะออกไปจิฮัตเอาละกรังเกียรอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราเป็นเจ้าของบริษัทเรียกลูกน้องเฮ้ยมาช่วยมาช่วยทํานี่หน่อยนี่ก็ยังนั่งอยู่เฮ้ยมาช่วยหน่อยยังนั่งอยู่เฮ้ยไม่ต้องมาละประมาณนี้ คือเจ้านายจะถึงจุดที่ไ <pearls> ม่ไม่ตรงมาแล้ว่าทำไมถึงว่าเจ้านายไม่ต้องการให้ลูกน้องมาทํางานแล้วไหมคือคือพฤติกรรมของลูกน้องที่ทําให้เจ้านายนี่เบื่อหนายโอ้จะมานั่งเรียกแล้วเออเราก็มาเิียฮัทกันดีมาต่อสู้กันดีมาทําหน้าที่ปกป้องศาสนามามามามาไม่ตรงมาเราดันเกลียดแล้วไม่อยากให้พวกเจ้าเนี่ออกมาเิียฮัทมาต่อสู้ในหนทางของพระองค์แสดงว่าจุดเริ่มต้น มันมาจากมันมาจากมนุษย์ที่บกพร่องต่อโลสผานนนี่คือบทเรียนสำคัญในการขัดเกลาจิตใจของพวกเราทุกคนนะความบกพร่องในหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่ด้านศาสนาต่างๆเราอย่าพยายามโยนโทษให้คนอื่นเวลาไม่ละมาดไม่ไดีถือเส้นอดไม่ได้ทำนู่นทำนที่ที่เป็นหน้าที่นะ เราอย่าเอาบาปก็คนนั้นน่ะมันมันมันไม่ช่วยอ่อคนนู้นน่ะมันไม่ให้เราไอ้คนนั้นน่ะมันคือเราจะพยายามที่จะประจักมุนทินแล้วก็โยนเหตุผลที่เราไม่ได้ทำที่เราบาปที่เราไม่ได้ทำน่ะให้เป็นบาปของคนอื่นซะอันนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของมุนาเฟีินเพราะการละเว้นการทิ้งหน้าที่เนี่ยเราต้องสารภาพกับตัวเองก่อน ว่ามันเป็นความบกพร่องที่เกิดจากตัวเราถึงจะมีเหตุผลในการรับอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮะนฺวะตัลแต่ถ้าเราไม่สารภาพละท่านนบีซอลลัลลอฮฺซุลแลมจึงถือว่าไซยิดุลอิสทิกฟาร์เจ้านายของดูอาขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮฺฮะนฺวะตัลและทั้งหลายนี่มีดูอาบทหนึ่งที่บรนดึกดุบขาริยาบุสลิมหนึ่งนนั้นน่ะว่าอบูอูบิดัลบิการสารภาพข้าพเจ้าสารภาพในความผิด ในความบกพร่องที่ข้าพเจ้าได้ทำไว่นี่จำเป็นสมมติว่าเราทําบาปรือบกพร่องและจะขอไปโทษต่ออรหนิและเราแล้วเราไม่รู้สึกว่าตัวเราได้ทําบาปรือบกพร่องทําไมไม่ละหมาดก็เขาไม่ได้เตรียมน้ำละหมาดให้ผมอาบน้ำละหมาดผมก็เลยไม่ละหมาดและแบบนี้เนี่ยไม่ละหมาดแล้วมีโอกาสจะขอไปโทษต่ออรไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีทางหรอกเพราะเราโยนบาปให้คนอื่นแล้วไงเราไม่ผิดแล้วไง แล้วจะเต้าบา ต, ตัวเด้งไงอืออ mm. ือทำไมทําซินาแล้วโอ้มันไม่ไหวจริงๆเถอะถ้าผมไม่ทําซินาน่ะนะมันก็มันก็ดูมีเรื่องใหญ่ไหมทํำไมเสพยานี่ ย, ยอโอ้ยกัญชานี่ดีกวา่าเฮโรอีนนะนี่กลายเป็นเหตุผลแลนะ้วนะว่าเขาว่าเขาบาดบาดเบาบาดเบาลงอือ mm. จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็น กวมนกมนสันดานองมนุษย์ทุกคนนะค่ะผมก็มีก็คือเวลาเวลามีการตรวจสอบนะ่ะไม่มีใครไม่มีใครอยากจ ะ, ป ร, ะปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นคนที่ทำความผิดระหว่างสามีภรรยาเนี่ยเวลาถกกันนะนะ่ะถกเถียงกันนะ่ะอย่าให้อย่าให้เขามองเราว่าเราผิดนะ่ะ ทำยังไงก็เถียงอนะ่ะวชนฝาเลยเนะอยากผิดเป็นอันขาดนะเราต้องถูกตลอดนะเอ่อเจ้านายกับกับลูกน้องนี่เถียงกันจนต้องต้องตายไปสักข้างหนึ่งนะลวอ๋อหรือไหมนี่ก็ยุบบริษัทไปเลยอย่าให้ใครผิด mm hmm. เพื่อนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันก็เหมือนกันเวลาเถียงกันเรื่องอะไรนี่โอ้โหวงแตกเลยนะ งอนกันเป็นปีเลยนะเพราเรื่องเดียวการเมืองนี่ก็เหมือนกันประเทศแตกแตกทั้งประเทศเลยนะครับเพราะใครถูกใครผิดแต่ไม่มีใครยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวระหว่างมนุษย์ด้วยกันแนตะ่บางทีเนะี่ยมันไม่ได้มีความผิดที่มันร้อยเ็นต์นะ ไม่มีความผิดร้อยเป็นมาถึงว่าส่วนบกพร่องนี่เช่นปัญหาระหว่างสามีภรรยาเนี่มันไม่ไม่จำเป็นเสมอว่ะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ผิดร้อยเปอร์เซนแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งถูกร้อยเปอร์เซนเนี่ยมากจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะมีแบ่งเปอร์เซนต์ผิดและถูกบางทีเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยนะหมายถึงว่าผิดทั้งคู่อ่ะ แล้วก็ถูกทั้งคู่ะล่ะบางทีก็มีแบ่งแบ่งสู้กันนะคนนี้ถูกส0มสิเอร์ซคนนี้ก็เจ็ดสิบอร์ซตคนที่มีความบริสุทธิ์ใจซื่อตรงเขาจะสารภาพในส่วนที่เขาเป็นความผิดเดียงตรงไปตรงมาและคนที่สารภาพในความผิดในทุกกรณีน่ะนะเขาจะถูกเชื่อถือในสายตาของคนอื่นเพราะอะไร พอถึงเวลาผิดเนี่ยเขาสารภาพเันทีไม่ให้เสียเวลาในการเถียงกันว่าใครผิดใครถูกยอมรับเลยถ้าถ้ารู้ว่าตัวเองนี่ผิดยอมรับเลยอ้าวในกรณีบางทีนี่นะเราไม่ผิดจริงๆเราไิ่ผิดจริงๆแต่อีกฝ่ายนึงอะนะโอ้ยเขาจะทำอะไรก็ได้นี่ให้พิสูจน์ว่าเรานี่ผิดให้ได้และเรานี่ไม่ผิดจริงๆ คราวนี้ล่ะจะทํายังไงเพราะว่าระหว่างเรื่องมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีตัวพิสูจน์ที่จะให้เขาศรัทธาเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะให้เรื่องมันผ่า น, านไปไม่ต้องสรารภาพผิดก็ได้แต่ให้มันเรื่องมันผ่า น, านไปให้เขาพอใจถ้าเราเป็นคนฉลาดและเป็นคนบริสุทธิ์นะแต่ระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวดาล่อันนี้ไม่ใช่แล้ว เราจะหลอกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยหลอกได้แต่จะหลอกพระเจ้านี่หลอกไม่ได้กับอัลลอฮ์สุบฮานะวตาลนี่รู้แก่ใจนี่ว่าเราผิดตรงไหนอะไรตรงไหนเนี่ยละหมาดกลางคืนเนี่ยละหมาดตาฮจุดนี่สารภาพกับอัลลอฮ์ซะทุกความผิดทุกบาปนี่สารภาพกับอัลลอฮ์ซะมันจะิดจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการล้างบาปล้างมลทินและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถ้าเราไม่มีจุดนี้นะครับไม่สารภาพกับตุวฮันกับกับพระเจ้าในเรื่องในเรื่องความผิดความบกพร่องของเรานะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับเราเริ่มต้นในการปฏิเสธหน้าที่เหมือนมุนาฟิกีนะปฏิเสธหน้าที่ jihad เขารังเกียจที่จะ อ, อกไปจิหาดกับท่านนบีสุลลัลลอฮ์วะลาอิซัลลัม อัลลอฮ์จ right, ึงร right, ังเกียจการอัลลอฮุมเบียธาห์อัลลอฮ์จึงรังเกียจไม่ให้เขาออกไป j i h เอามาเทียบเลยนะเอามาเทียบเลยนะมาซุโบตั้งนาฬิกาปลุกไว้สามเรือนทําไม่เพลิงแต่เรือนนี้มันหมดมันหมดแบตนะมันดังจนหมดแบต หรือเราปิดมันก็จะมีเรือนที่สองมาปุ๊บเรือนที่สามอันนี้แสดงว่าตั้งใจนะออแสดงว่าเขาจริงเขาอยากจะละหมาดสุบโบจริงจริงแต่ถ้าหากว่าทั้งสามเรือนเตือนแล้วและยังไม่ตืน่นก็แสดงว่าเราเนี่ไม่อยากลุกขึ้นละหมาดสุบโบ อ, อัลลอฮฺจึงบอกว่าไม่ต้องลุกอัลลอฮฺังเกียรไม่อยากให้ลุก เราอาจจะมีหมายนัดกับเพื่อนเพื่อนสนิทหรือคนสําคัญพลาดหมายนัดทั้งที่เราก็เตรียมตัวทุกอย่างแล้ว่นะแต่พลาดแล้วเนี่ยจะเสียใจขนาดไหนจะเศร้าขนาดไหนแต่พอพลาดเวลาละหมาดหมายนัดกับพระสุภ า, าราหัวตาเราจะเสียใจเท่านั้นไหมโดยเฉพาะละหมาสุภี ไม่ได้ตื่นละมาสุพีเป็นเวลาละหมาที่สำคัญที่สุดถ้าสมัยท่านนาบีสละหลลอยหัวไลโอซนลำซึ่งแต่ก่อนนั้นนะไม่ไดีไม่ไดีเป็นเมืองใหญ่นะกัเป็นเมืองเล็กแล้วก็มีมัสยิดเดียวและละมาสุพีสำหรับเมืองใหม่ที่กำลังก่อตั้งรัฐใหม่สังคมใหม่คุณสมบัติของคนลเมืองใหม่นี่ละมาสุพีนี่ มันเหมือนเวลาที่มาตอกบัตรพนักงานในองค์กรไหนนี่ที่ไม่ตอกบัตรก็สแสดงว่าเบี้ยวผลที่ตามมาก็คือหักหักเงินเดือนใช่หมอัลลอฮฺบิญุอุมรบอกว่าคนที่ไม่ไม่มาละมาสุบีเนี่ยเราก็เริ่มสงสัยแล้วก็เป็นพวกมุนาฟิกหรือเปล่าขนาดนั้นเลย ใช่สเพราะในยุคนั้นน่ะมันมันจะคิดอย่างอื่นไม่ได้ละบาดนี่มันเป็นมันเป็นมาตรฐานเป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้ศรัทธาในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคก่อตั้งสังคมมุสลิมแล้วมัมีสังคมใหญ่แล้วเมืองใหญ่เขาไม่ละมาทมัสยิดนี่เขาอาจจะละมาทมัสยิดนุ่มก็ได้เขาอาจจะลําบากเห็านี้สังคมสังคมที่มีอุปสรรคอะไรอาจจะไม่มีมัสยิดมันไกลเกินไปเขอาจจะไม่มีพานะแปะ มันอาจจะมีเหตุผลอะไรหลายอย่างแต่สําหรับมดีนาเนี่มัสยิดนบีกับเมืองมดีนาเนี่ยใครที่เคยไปมัสยิดนบีในปัจจุบันน่ะพื้นที่มัสยิดนบีในปัจจุบันนั่นน่ะคือรัศมีพื้นที่เมืองมดีนาสมัยท่านนบีแต่ก่อนนั้นไม่ได้ใหญ่ตัวค่นี้ประมาณประมาณหนึ่งตารางกิโลเมตรประมาณนั้นฉะนั้น ไม่ต้องมีรถไฟฟ้าจะได้ไปละมามสิอย่างไกลที่สุดในยูท่าเมืองอะนะเดินไปก็ยังถึงเลยไม่ต้องมีม้าก็ได้ไม่ต้องมีจักรยานไม่ต้องมีมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ละมาซุโบเลยอะนะอันนั้นะัั้นต้องคิดหนักนะเขามีออกญาติเพราะเขารังเกียรไม่อยากจะออกญาิหา l a h จึงรดังเกียติไม่ให้เขาออก ไม่ออกก็ไม่ต้องออกเอาแล้วเรืงเกียรแล้วเกียร์ไม่อยากไม่อยากให้มึงมันยิ่งหัดทำไมไม่ละหมาดสมัยโอ้มันขี้เกียร์ขี้ขี้มันไม่ใช่เกียรนะมันไม่ใช่ขี้เกียร์นะมีเกลียรเนี่ยขี้เกลียดนะถ้าขี้เกลียดนี่ก็หมายรวมว่าเราเกลียดมีส่วนหนึ่งเกลียดลุกขึ้นละหมาดใช่ไหม สมการเดียวเลยถ้าพี่เกลียดลุกขึ้นละหมาดสิพีอัลละฮฺก็เกลียดไม่ให้เราลุกขึ้นละหมาดเออเออนอนต่อมึงไม่มีสถานะเพียงพอที่จะมาเข้าเฝ้ามันมันตกต่าขนาดไหนเทียบได้เลยเนี่ยกับภาระหน้าที่อื่นๆด้วยนะที่เราที่เราสานึ ก, กว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของเรา ถ้าเรารังเกียจไม่อยากทำหน้าที่ตรงนั้นนะนะครับถ้เทากับอัลลอฮ์รังเกียจไม่อยากให้เราลุกขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนั้นแล้ววิธีนี้นะครับที่จะทำให้ผู้ศรัทธานี่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองมีพฤติกรรมของของมุนาฟิกีนเนี่ยซึ่งพฤติกรรมของมุนาฟิกีคือต้องแยกแยกนะของมุนาฟิกีนเนี่ย เขาไม่ได้รังเกียจการกระทํานั้นๆช่วงนั้นอย่างเดียวนะ่ะไม่คือเขารังเกียจตัวตัวหน้าที่ที่อัลลอฮฺสั่งไว้เขาไม่ได้รังเกียจที่จะไป j ิ h a d เฉพาะตอนนั้นทำไมเขารังเกียจ j ิ h า d ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติถ้าเป็นแบบนั้ น, นตกศาสนานะ่ะเหมือนมุนาฟิกินในยุคยุคของท่านนาบีที่นบีเรียกว่ามุนาฟิกสมบูรณ์นี่ก็คือหัวใจเขาเนี่ยไม่มีอิสลามเนละื้อเขเป็นกาเฟสในหัวใจเป็นกาเฟสนะ และภายนอกนี่แอบอ้างอิสลามแต่ถ้าหากว่าเขามีความรังเกียดเฉพาะบางครั้งบางคราวของหน้าที่เนี่ยอันนั้นไม่ถึงขั้นตกศาสนาอย่างเช่นคนขี้เกียจลูกขึ้นละมา่วสวีวันสองวันอันนั้นไม่ถือว่าเป็นมุนาฟิกนะแต่ ทำไมอัลลอฮ์ Allah ต้องมาบัญญัติให้มีละมาดในช่วงนี้ชาวบ้านก็จะนอนกันนะช่วงนี้นี่มันโอ้ยมันหลับแบบสนิทมากเลยทำไมต้องมีอันนี้อันนี้เ น, นี่ยเขาเกียดตัวบทบัญญัติอันน้มุนาฟิกมุนาฟิกแบบสมบูรณ์แล้วนะอันนี้อันนี้คือท้าทายอัลลอฮ์โอ้ยไม่น่าจะมีเลยแบบนี้มุสลิมะไม่คุมฮิจาร ทำไมอนนี้ทำไมไม่คุมมันร้อนแต่เขาพูดจริงนะมันร้อนมันร้อนจริงนะผมเคยเจอมุสลิมมาที่หนึ่งเขาขายเขาขายไก่ทอดวเขาอยู่หน้าเตาเนี่ยใครๆก็รู้นยอยู่นะ้่มันร้อนจริงๆก็ไปซื้อไก่ทอดใครี่ไปซื้อนี่คือตัวเขาเนี่ไม่นด้คุมมีอย่าง แต่คนรอบๆเนี่ยก็มีบังก็คุมเขใส่หมวกเขาอะไรเนี่ยมันก็แปลกนี่ก็ผู้ชายใส่หมวกนี่ทําไมไม่คุมมีด่าบอโอ้มันร้อนผมก็บอกว่านารกนี่มันร้อนกว่านี่นะเออนะเออนะขอบคุณมากนะบังเหตุผลนะว่า อ, อันนี้อันนี้อาจจะจริงก็ได้ทําไมไม่คุมมีด่าบโอ้โหความสวยงามแบบนี้ไปปิดทําไม อันนี้เหตุผคนละอย่างเลยนะคือเขามองว่าอีหยามนะไม่ควรที่จะมีทําไมเพราะมันมีความสวยงามที่ต้องโชว์ชาวบ้านต้องจัดเวทีจะได้เดินแบบจะได้โชว์เขามีความต้องโชว์อันนี้เนี่ยรังเกียจบทบัญญัติออืคนละอย่างกันนะแล้วเราเปรียบเทียบเลยทีเดีอายันนี้เนี่ยอายันนี้เนี่ย ตอนผมอ่านและศึกษาแรกๆเลยนะผมรู้สึกตกใจมากเลยอ่ะพอตอนนั้นนะ่ะก่อนที่จะมีการอธิบายอย่างลึกซึ้งจากครูบาอาจารย์เนี่ยผมรู้สึกว่าอีสานเอทุกคนที่ไม่ได้ทำหน้าที่นี่ก็คืออัลลอฮฺดังเกียรเขาอ่ะอัลลดังเกียจเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขามาทำหน้าที่นี่เขาจึงจึงถูกขับไล่จากเมด า, านอัลลอฮสุฮาห์นะว้ย แต่เรื่องมันมีรายละเอียดไม่ใช่ทุกคนที่ขี้เกียจเนี่ยที่ขี้เกียจบางครัง้งบางคราวเนี่ยก็ถือว่าอัลลอฮ์ดังเกียรเขาเลยเนะี่ยมันไม่ใช่แต่ต้องแยกแยะว่าไอ้คนที่แบบว่ารังเกียรหลักการศาสนาอย่างสิ้นเชิงนั้นนะ่ะที่หมายถึงตรงนี้พระพวกมูนาฟิกนี่เขาดังเกียรบทบัญญัติของจิจฮัดหน้าที่ในการที่จะปกป้องศาสนา น, นี่เขาไม่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของเขา เขาเนี่เขาไม่ได้หวงไม่ได้หวงแหนอิสลามอะไรเลยเขากําลังเตรียมตัวที่จะตกติดต่อกับศัตรูอิสลามจะได้มาถล่มนบีถล่มอิสลามด้วยซ้ำํำดังนั้นไอเรื่องไอเรื่องขี้เกียดนี่มันไม่ใช่เรื่องกระเดียวว่าดาษเนี่ยม่ใช่ไหมมันมันเป็นอุดมการณ์มันเป็นละทิเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาของเขาไหนไหนก็แว่นิดนีง นี้มันเป็นเป็นผลตและเป็นเป็นแฟชั่นลกะก็เธยก็เธยมุสลิมผู้ชายเล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงเล่นแบบผู้ชายนั่นบาปใหญ่ไม่ตกศาสนานี่อธิบายให้ให้เห็นภาพเลย น, นะเราจะได้แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรนะผู้หญิงเล่นแบบผู้ชายผู้ชายเล่นแบบผู้หญิงไม่ตกศาสนา ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองในเป็นผู้หญิงจะเรียนแบบผู้หญิงแต่เขาเป็นมุสลิมเนะี่ยเคุ่มิจาาก็คือสุดวิสัยที่ทําได้คือคุ่มิจฉาเนะี่ยจะได้รู้สึกว่าตัวเองในเป็นผู้หญิงทั้งตัวเองเป็นผู้ชายก็ยังเป็นก็ยังเป็นบาปใหญ่ยังไม่ตกศาสนายังไม่ตกศาสนาแต่การที่จะให สิทธิในการเรียนแบบหมายถึงให้ผู้ชายเรียนแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายเพื่อสนองความรู้สึกความรู้สึกภายในเนี่ยเกี่ยวกับเพศสภาพ gender เ, เพศสภาพเนี่ยและเรียกร้องสิทธิสิิทธเสรีในการที่จะแสดงตรงนี้เนี่ยให้ตราเป็นกฎหมายเนี่ยอันนี้เนี่ยตกสส จานั้นที่เธอคุมหิ j า b เนี่ยมาเรียกร้องสิทธ์มาเรียกรอ้รกรองพรบก ฎ, กฎหมายสมรสเท่าเทียมคู่ชีวิตอะไรพวกนี้ฮิ j าบนี่ไม่มีความหมายแล้วเพราะเธอคุมหิ j าบนี่ยืนยันในความเป็นมุสลิมใช่ไหมและจริงเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาต้องการให้เข้ามาเนี่คือจะได้เห็นเนอาทุกศาสนาเนี่ขาต้องการ ทุกศาสนาแต่บางเออศาสนาอื่นเขาไม่มีเครื่องหมายของสตรีไงจะให้คริสต์นี่มาสวมอะไรจะได้มาแสดงความเป็นคริสต์ละไม่ ม, ม, มีแต่ดีโยมาเดีเอวมุสลิมสวมบวกมายืนยันนะว่านี่ไงมุสลิมเรียก LGBT เหมือนกันนะันก็ยุง่งมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะ ที่จะมีคนคนหนึ่งอยากจะเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับภาพไอเพศสภาพเนี่ยแล้วต้องมาคุมยีบะเพื่อแสดงตนความเป็นมุสลิมไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะเพศสภาพนี่มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับสั ญ, ญลักษณ์ด้านศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวกับขอโทษนีมันเกี่ยวกับอวนะัย ว, เ ว, ยวะเพศ เอาข้อที่จริงเนี่ยคำว่าพิษสภาพนี่ก็คืออวัยวะพิษสภาพไม่ใช่พิษสภาพมันประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่ที่ว่าคนนึงมีอวัยวะพิษแต่ไม่อยากได้อวัยวะนั้นนะ่ะอยากจะสละไปไอ้คนนึงไม่มีอวัยวะนั้นนะ่ะแต่อยากได้ก็ไปทา ม, มันให้มันมีอ่ะมันอยู่ตรงนั้นนะความที่มันตกตามมาเนะ คนเป็นผู้หญิงไม่อยากเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายและเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้อื่นนอกจากเอาว้ว่เพศเราจึงเรียกฉายาของของคนเป็นชายเป็นเป็นหญิงเนี่ยก็คือเพศชายเพศหญิงนี่ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีปัญหาเดิงเรียกร้อง เรียกร้องกฎหมายส่งรถเท่าเทียมผมได้คุยกับได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็นักเคลื่อนไหวหลายคนนะครับรู้สึกว่าละนักการเมืองเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนสังคมมุสลิม นักเคลื่อนไหวนักการเมืองผู้ผู้เหล่าที่เป็นมุสลิมนะที่คุยกับเขาอะนะเหมือนว่าสังคมมุสลิมเริ่ ม, เ ร, มเริ่มยอมแพ้ในเรื่อง น, นี้แหละโอ้มันเป็นกระแสจะไปห้ามเขาไม่ได้หรอกขอให้ให้เขามาบังคับเราแล้วกันโอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์แล้วมันเป็นแฮชแท็กแล้วจะไปจะไปกดดันมันไม่ได้แล้ว มันมาแรงเราสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวหรอกตั้งสมมติฐานนะครับว่าถ้าพระบอชุดนี้เนี่ยมันมีประชาวิจารณ์ในสังคมมุสลิมคิดว่าสังคมมุสลิมรายบุคคล น, นะเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้ผมแค่คิดเนี่ยก็กลัว กลั ว, ก, วกัวมากเลดีว่ามันไม่มีนะเออแต่เขาแฟร์ที่สุดเนี่ยบอกเอามาเลยประชาวิจารณ์ทั่วประเทศเนี่ยให้ทุกคนแล้วก็ บ, บอกด้วยนะศา ส, สนาของตัวเองคืออะไรแล้วก็ลงความเห็นเลยอย่าได้ทำหเลยอย่าได้ทําทําแล้วสวย แต่สมมุติว่าโอ้ผมเชื่อนะครับต่อกฎหมายนี้เนี่ยเข้าสภาเพราะมันเข้าแล้วนะรับหลักการแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าผ่านหวตดีแล้วมันผ่านหมายถึงว่าร่างพรบนี้นี่ผ่านรัฐสภาโหดเก้าแล้วนี่เป็นกฎหมายแล้วเทศไทยก็จะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เพศเดียวกันแต่งงานกันได้โอ้โห รายได้มหาศาลเลยทำไมก็เขาจะมาแต่งกันที่เมืองไทยไงเพราะประมาณ 95% ทั่วโลกนี่แต่งไม่ได้เขาก็จะมาแต่งกันที่เมืองไทยฉะ น, นั้นโรงแรมห้องชาบูอะไรต่างๆโอ้โหเนี่ยห า, ก, หา ก, กินกันเละเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นไม่ประเด็นเท่าไหร่แต่ คนที่เขาคิดในในแง่นี้เนี่ยคนนี้เขาไม่มีศา ส, สนาก็คิดในแง่นี้เนี่ยโปรโมดโปรโมดเรื่องนี้ไปด้วยแต่เรื่องที่มันจะตามมานี่พอถูกตราเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าหมายถึงว่าสองคนเนี่ยสมรู้สมรู้เจ้าเดียวสมรู้เป็นพี่เดียวกันนี่นะอ่านี่เรายังไม่รู้เลยนะว่าถ้าเขาแต่งงานกันแล้วจะเรียกใครเป็นผัวใครเป็นเมียนี่ไม่รู้นะ แล้วเธอไปเรียกใครเป็นผัวนี่เป็นดูถูกดูถูกเขาเปล่าเราติดคุกเปล่าแล้วเียกคนนั้นเป็นเมียจะติดคุกหรือเปล่าเม้เราไม่รู้นี่มันมันอยุ่งนมันเรื่องยุ่งนะแล้วก็ถ้าสอคนนี้เนี่ยเอามาครอบครัวแล้วจะเข้าห้องน้ําใครจะเข้าห้องหญิงแล้วก็ห้องชายนี่นี่ก็เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องใหญ่นะ่เนี่ยเดี๋ยวก็กลังคุยกันแต่ประเทศตะวันตกนี่เขาคุยกันแล้วในเรื่องเนี้ยว่าเพศสภาพเนี่ยเขามีสิทธิ์ เข้าทุกห้องกเ็เธออ่ะเข้าทุกห้องเข้าห้องหญิงก็ได้แล้วเกิดคดีที่อเมริกานะกะเน็เธอนีเข้าห้องผู้หญิงแล้วก็มีคุณแม่คนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ลิมนะเขาไม่ยอมไม่เข้าเพราว่าทำไมหนูเป็นผู้หญิงเขาไม่เขาไม่ เ, า, มเาเป็นเาเป็นผู้ชายที่แปลงเพศแต่ แต่สารีระมันฟ้องไมันฟ้องเขาบอกว่าลูกสาวนี่อยู่ในห้องน้ำนี่เขาไม่สบายใจเลยนี่ที่คุณจะเข้าเข้าห้องน้ำของผู้หญิงโอ้ก็เป็นผู้หญิงกลายเป็นคดีเลยนี่เป็นเรื่องพอที่นู่นเน่เจนเดอร์เนี่ยเพศสภาพเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่รักต้องบริการให้สวัสดิการเขานี่มีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำเพศสภาพ แต่เพศสภาพนี่รู้ไหมคือเราเออนี่ยเราสร้างมาเกิดมาตั้งแ ต, ต่ดึกดำบรรยินปัจจุบันนี้ก็มีเพศชายกับเพศหญิงแต่ในยุคบัดซบนี้นะครับเพศสภาพนี่มีแปดสิบเพศไปดูในเฟซบุ๊กเพศสภาพมีเลือกได้แปดสิบเพศแปดสิบทางเลือกทางเพศจะเลือกอะไรสรารพัดอย่างเลยแล้นี่นี่มันเป็นปัญหานะ จะมีสิทธิ์สร้างต้องทําห้องน้ําให้เขาไหมใช้ภาษีกรของประชาชนในการสร้างห้องน้ําเขาด้วยไหมนี่เรื่องนี้ยังไม่ได้เกิดบ้านเรานะแต่ถ้าสองรถเท้าเทียมแล้ววะนะอาเท่าเทียมในเรื่องสงรามก็ต้องเท่าเทียมในเรื่องอื่นด้วยซิมันต้องเท่าเทียมในเรื่องอื่นด้วยซิถ้าเท่าเทียมแล้วแสดงว่าอะไรที่มันสนองพิสพาพเนี่ยเขาต้องเบิกได้สิแปลงเพศนึงก็ต้องเบิกได้นะ แต่ถ้าผู้หญิงอยากจะสัญญกรรมความงามเขาไม่เบิกทําไมโอ้โนี่ฟุ่มเฟือยทางั้นนี้เปนเพศของเขาแท้แท้เลยนะอะแต่รัฐที่เบิกเบิกไม่ได้นะสัญญกรรมงามนี่เบิกไม่ได้แต่สัญญกรรมจะมูกแก้มอะไรนี่ไม่ได้แต่ของเขาเนี่ยที่แคนาดานี่เรียบร้อยแล้วข้าราชการข้าราชการเบิกได้แผลงเพศถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขา อ, อก เขาออกกฎหมายให้ทำประกันที่เบิกได้มันเละตุมเป๊ะ น, นะสิ่งที่จะตามมานี่ไอเรื่องของพวกนี้แหละโรงเรียนศาสนาโรงเรียนศาสนาอิสลามนี่มีครูเป็นเพศสภาพพาคู่ครองเขาเนี่ย เป็นผัวเป็นเมียไม่รู้น่ะแต่เพศเดียวกันไงอ้าครูใหญ่รู้แล้วเนอะโอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไล่ออกจากโรงเรียนโดนฟ้องเลยไล่ได้งไงอะ่ะสมมุติเท่าเทียมเขาทําสิ่งที่ถูกกฎหมายเอาเหตุผลอะไรมาไล่เขาที่เขาอก้ยแล้วจะมีไม่เหรสังคมว่ามันคือมันมีอยู่แล้วเราอย่าปฏิเสธด้วยในสังคมของเรานี่มีอยู่แล้ว และในประเทศอื่นเนี่ยมุสลิมเนี่ยเขาสถาปานาสังคมของเขาแล้วที่โอเซเลเนี่ยมีมสัสยิดเกนนะอิหมามเป็นเกนนะก็เปิดเผยตัวเองนะอันนี้นี่เล่าสู่ให้พี่น้องได้ได้เห็นภาพว่าเรื่องนี้มันจะมันจะไปถึงไหนนี่เพราะวันที่สิบสามนี่จะรู้ชตากรรมในทุกกรณีนะเรื่องแบบนี้เนี่ยว่า แม้กระทั่งสมมติเนะี่ยเอาเราทดสอบคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเพศสภาพอย่างเช่นมุสลิมเป็นกีอมุสลิมอาเป็นทอมนะมุสลิมอาเป็นทอมมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยแต่ใจของเขาเนี่ยต้องรู้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบาปแล้วกฎหมายแบบนี้เนี่ยตรากฎหมายที่สวนทางกับกฎหมายของพระเจ้านี่มันทําไม่ได้มันตกศาสนามุสลิมต้องต้องคิดและก็เชื่อแบบนี้ ถึงแม้ว่าตัวเองทำบาปอยู่เหมือนมุสลิมกินเหล้าแต่ถ้าเข้ามาเสนอบอกว่าเอาไม่กฎหมายเนี่ยให้เหล้านี่มันฮัลาลล่ะไม่ไม่ได้ถึงผมจะกินเหล้านะแต่เชี่อมันบาปยังปลอดภยัยถือว่ายังปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเชื่อว่าสิ่งที่มันฮัลาลเป็นสิ่งที่ฮารอมหรือสิ่งที่มันฮารอมนี่เป็นสิ่งที่ฮลา ล, ล, าลอันนั้นนะ่ะคือตกศ ส, ส ต้อธิบายเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ก็คือเรื่องคือเรื่องที่มันเป็นวาระของสังคมมุสลิมที่จะต้องต่อสู้ในข้างหน้านะครับในเวลาขา้างหน้าดีแล้วที่เขาไม่ได้ออกไปจิหาดเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาออกมาจิ h าดนี่เขาอาจจะเป็นภัยสำหรับนบีนละสุฮาบะแล้วข้ารู ف ฟีคุณมากจะดูคุณอ ا ลล ว่าแล้ววางวิชาล็กุมยบกุนคุมอัลฟิตนะว่าใกุมสัมม่กุนเลหุมวะหละฮ์อัลเลมุลท์ซาลิมินหาพวกเขาได้ออกไปในหมู่พวกเจ้าแล้วเนี่ยออกไปที่ห้านกับพวกเจ้าออกไปในกองทัพเดียวกันก็ไม่มีอะไรเพิ่มแก่พวกเจ้านอกจากความเสียหายเท่านั้นถ้าเขาออกกับพวกเจ้านะพวกเจ้าก็ไม่ได้นอกจากความเสียหายอิลลัคอบะละ เขาแบาาบอะไาแบนี่มันไม่ได้ภาษาดับนี่ไม่ใช่เสียหายอย่างเดียวนะมันก็คือความตกตำ่ำล่าวคือถ้าออกไปแต่พวกเจ้าเนี่ยก็ได้แต่พ่ายแพ้ได้แต่ตกตำ่ำได้แต่เสียกำลังใจ ใ, ใ, ในในในเวลาที่เราต้องการกำลังใจมากกว่าไม่ใช่เสียกำลังใจ ว่าแล้วเอาดา่งวิลลาล์คุณเอาดา่งเลนันน์ฟุกฮาวคิมชวยโอกาสยุยเย่เอาดังยุยเย่ยุยเย่ทำอะไรโอ้ยไปทําอะไรงั้นอากาศร้อนแบบนี้แล้วมันจะชนะไม่เนี่ยแล้วเราจะไหวไม่เนี่ยของทัพของโรมันันมันขนาดนู้นแล้วนี่แค่นี้เองไม่ต้องถึงนู่นนะแพ้แล้วตั้งแต่ออกจากมาเดียสันก็แพ้แล้ว สภาพจิตใจที่มีคนยุแยใส่ใส่ใสเนี้ยมันไปไม่รอดหรอกว่าเราเอา้าเราขี้และและกุมระวังพวกเจ้าขีและและกุมระวังพวกเจ้าอย่าบั่วนาคุมลฟิดหนโดยปรารถนาให้เกิดความวุ่นวายแก่พวกเจ้าเกิดความวุ่นวายเบาะแสข้อมูลที่ทําให้สังคมเสียขวัญใจเสียกําลังใจ หมดแรงหมดความกระตือิร้นอันนี้เป็นภัยที่แร่ที่ร้ายแรงกว่าภั ย, ภยพ่ายแพ้เรานี่จะออกนั่นจะออกไปฟังบัญญายจะออกไปละมานวังนะฝนตกแชะนะเออคือเรานี่9เก้าสิบแต่มีสิบเปอร์เซนี่ยที่กำลังลังเลอยู่นะแต่พอมาเสียงไอเสียงไอนี่นะ ไอ้เป็นต์ในการเป็นสิบละไอ้เกาบเป็นละจะไปฟังบรรยายนรถติดป่าคือแค่ฟังรถติดนี่มันก็นคือมันแผ่วไปแล้วมันหมดแล้วเออคนมีอคติอะไรกับอะไรอ่ะกับอะไรบางอย่างนี่นะเพราะเ อ, อ่ยเรื่องนั้นเออมันก็มันก็มันก็ให้หผลจะได้จะได้ถอยมีคนมายืมตัง เราก็ตั้งใจจะทําบุญให้เขายืมระวังน้ำใช้ตัง้งค์หรือเปล่าหมดเลยในความปรารถนาที่จะช่วยเขาเนี่ยหมดเลยทําให้เราเนื่อยเราแย่ไปหมดแล้วไม่ไม่ทำบุญแล้วไม่ช่วยเขาแล้วแบบนี้เป็นตน้น อ, อันตรายของคนที่กระซิบกระซิบให้เรากระซิบให้บัทอนความตั้งใจทําความดีเนี่ย ร้ายแรงกว่าการทำบาปหรือการทิ้งทำความดีทำไมถึงอิสลามให้เราได้เลือกเพื่อนเพื่อนมีอิทธิพลราคนนี้แหละพอเราจะทำความดีเออเออดูมีอะไรจะช่วยบอกนะคนแบบนี้เนะี่ยอยู่ใกล้เราโอ้โหไม่ต้องหวงล้วทำดีทำดีท ำ, ทำมีเพิ่มปุณอย่างเดียวแต่อีประเภทนี่ระวังนะ คนอื่นก็ทำแล้วแย่แ yeah, ล้วนะอมีเพื่อนแบบนี้สักสองสามคนนี่นะชีวิตนี่ไม่ต้องไปไหนนะไม่ต้องไปไหนอยู่กับที่นะอัลลอฮฺบอกว่าพวกเจ้านี ok au, ok au, ok f f ok ่มีจุดอ่อนนะในหมู่พวกเจ้านั้นก็มีพวกที่รับฟังพวกเขาอยู่ฟังอยู่พวกว่ามูนาฟิกีนเนี่ย ก็จะมีหัวหัวหน้ามีหัวโจกบางคนลูกน้องเขาเนี่ยความเป็นมุญธรรมของเขานี่น้อยเนี่ยเขาออกกันนะบีแต่อีหัวโจกนี่นะมันไม่ออกเนี่ยแล้วก็ดีแล้วว่าพวกนี้เนี่ยมันเนีเพราะไอ้นี่เป็นหัวโจกนี่มันมีลูกน้องอยู่แล้วลูกน้องนี่มันยังฟังอ่ะยังฟังผู้ใหญ่ของเขาอ่ะแต่เขาไปทิ่ฮัดกับพวกแล้วก็ไปใส่ลูกน้องเขานี่นะ จะไม่แย่เหรอมันเกิดขึ้นสงครามอุคฮุดสงครามอุคฮุดนี่นบีออกไปหนึ่งพันคนและมีพวกพวกขี่ลังเลนี่พวกมุนาฟิกนี่สามร้อยคนหัวหน้าหัวโจของมันนี่อับดุลลาอิบนออับดุลลาอิบนนอุบยิบนิซาลูนออกจากมัตีน่าไปอุคฮุดนี่ไม่ปร ะ, ประมาณยี่สิบกิโลนี่นะห้ากิโลนี่นะเริ่มละ เฮ้ย <Underground> จะออกไปทําอะไรหนึ่งตํามตูก็กลับมาสามรอคนสางออกไหมนบีออกโอ้โหนี่ภูมิจะออกไปหนึ่งพันคนห้ากิโลนี่กลับไปแล้วสามร้อคนพราะมีมีหัวหัวโจกนี่ออกไปคนหนึ่งออมต้นเลิฟหนูไปอิมิสซูลเนี่ยท้งนี่อายัดอายัดถัดไปหนูคนก็เคยมาแล้วมีเรื่องนี้เคยมาแล้วแต่ปัญหาใหญ่กว่าถ้าว่าในสังคมเนี่ยมีคนที <toilet> e น่ อ่อนไหวหัวใจนี่ลำเอียงลำเอียงไปยังเสียงที่ไม่ประทานดีกับอัลลอและราซนลนี่นะอันนี้เขาเรียกอะไรพวกสายลับของศัตรูนะไม่แพ้เลยปนะวกที่กำลังกำลังกินแบบเงีย บ, บเลยปลวกเทียบมุนาฟิกนิดปลวก นิ่ๆๆเงีย บ, บ, บ, บพอถึงจุดที่มันข้างในนี่ยไม่ไม่มีแล้วเสาข้างไม่มีแล้วพอถึงจุดนี้นระ่วงเลยสังคมก็เป็นแบบนี้สิ่งที่มันจะบันบนทอนหัวใจกําลังใจนี่นะมันจะมันจะเหมือนไวรัสที่มันระบาดไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วพอถึงจุดจุดที่จะเริ่มลงมือทำแล้วนะ ถ้าเราปล่อยเรื่องนี้เนี่ยมันลุกขึ้นไม่ได้แล้วไวรัสมันมะเร็งเนี่ยมันไปทั่วแล้วลุกขึ้นไม่ไหวแล้วอัลลอฮฺอัลลอฮนเป็นผู้ทรงรอบรู้ในผู้กระทำทั้งหลายอัลลอฮ์บอกว่ามันมีประวัติแล้วดิบตะวันฟิทนัตมิ่กับลูวลลบกอจาอัลฮ อุ่ว ظهر أمر الله وهم كارهون แต่จริงนั้นพวกเขาได้แสวงหาความวุ่นวายมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้ี่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มาดีนะในสงครามอูฮุดก็มีในสงครามคันดักก็มีในสงครามก่อนหน้านี้หลายสงครามก็มีแตยว่าในสงครามมันในยามปกตินที่อยู่ในมาดินนี่ก็มีหลายเหตุการณ์ ที่เข้าฝ่าฝืนคาสั่งของท่านนาบีสุลต์ละเซลัมละตำหนิคนที่ปฏิบัติตามคาสั่งของท่านนาบีสุลต์ละเซลัมก็ระบูวุ่นวายก็ระบูพลิกสถานการณ์สถาน ก, นการณ์กำลังดีไปในทิศทางที่ดีที่นบีวางแผนแล้วแต่เขาพลิกสถานการณ์ให้คนเขาขวายในสังคมนี่ขวยรู้ไหมป้ายเราเนี่ละหมาดวันสุกร์เนี่ย ก่อนอิหมามขึ้นมิมบัตเนี่ยจะมีประเพณีประเพณีก่อนอิหมามจะขึ้นมิมบัตเนี่ยขึ้นคุตบ้านเนี่ยบิลันเนี่ยก็คือคนที่ยกอาซานเนี่ยมาอาชิรัลมุสลิมีนแะซุมร์ตัลมุเอมีนอิสมาห์แะอัติย์หยารหัมกุมุลลาอัลลัลลฮิซัล มันมันมั่งส์ลพั صة فقد لغاه وملغاه فلا جمعت له اسمع وأطيع يرحمك ملا จงเชื่อฟังจงฟังคุตบะจงฟังเชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยมีแบบฉบับสมัยท่านนบีนะไอคนที่บอกว่าม่มีแบบฉบับเลยนี่ ไม่ใช่เนี่ยมีนะสมัยนบีเนี่ม nice. ีนะแล้วคนที่ทําเรื่องนี้เนี่ยคือใครรู้ไหมหัวโจกมุนาฟิกีนะ عبد ุลลาห์อิบเนอับดุลลาห์อิบเนอุมัยอินอสลูลคนนี้เนี่ยที่เต้นนบีทำอะไรเขาไม่ได้เนี่เพราะอะไรทุกวันศุกร์นี่นะก่อนนบีจะขึ้นคุนเมมบัทนี่นะหิวแสงนะเขาจะลุกขึ้นเฮ้ยบอกเราชื่อฟังนบีของเรานะเฮ้ยยิ่งใหญ่นั่นแหละ ฟังนบีนะเว้ยแล้วคนพูดแบบนี้นบีแล้วนบีรู้แบใจนีว่าเป็นมุนาฟิกลูกชายนี่รู้ว่าเป็นมุนาฟิกลูกชายรู้ว่าเป็นมุนาฟิกมีสงครามอัลฮันดักเนี่ยพอมีพฤติกรรมที่บิดเบี้ยวกับท่านนาบีสุลต่านนี่ลูกชายนี่มายืนหน้าประตูมาดีหน้าเนี่พรอ พ่อเขาเข้ามาอย่ไม่ให้เข้าจนกว่านบีจะให้อภัยอันนี้ก็ตะโกนลั่นที่มาดีนะบอกเฮ้ย hey, ช่วยด้วยลูกกูไม่ยอมไม่เข้าบ้านแต่ลูกชายเขาเนี่ยเชื่อฟังนบีมากกว่าเชื่อฟังพ่อไงนี่ายามุไงชาวมุสลิมเชื่อฟังเชอันนี้แต่เขาไม่ได้ทําสม่ําเสมอไงอไม่ได้ทำเรื่องนี้นะในยุค บรรดาคาลิฟในยุคหลังที่เาไม่ได้ที่เขาถ่ายทอดอานาจตามสายตระกูลอย่างบันยุมยอบบาซียนี่เขาก็เอาเรื่องนี้นี่มาใช้บรรดาคาลิฟั้งหลายนี่ที่ลาว่าอุมวยะลาว่าอบบาซียะอุสมานียะนี่เขาก็เอาเรื่องนี้มาใช้พอคาลิฟาขึ้นแล้วอะนะก็จะต้องมีคนเฮ้ยเชื่อฟังคาลิฟานานงนี่ที่ไปที่มาของมาอาชร์อมุสลิม เ ช, ช, ชื่อฟังเชื่อฟังคนนี่จะเชื่อฟังไงนะเขาเชื่อฟังโดยไม่ต้องถูกสั่งสอนและจะเชื่อฟังคือเสมอต้นเสมอปลายเอออย่างอย่างจุลาราชมนตรีเป็นผู้นําเราเชื่อฟังจุลาที่ไม่ต้องมีใครมาสอนหรอเฮยเชื่อฟังผู้นํามึงไม่ต้องมาสอนหรอกเชื่อฟังอยู่แล้วและเชื่อฟัง เชื่อฟังทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องอันนี้เอาเรื่องเดียวนี่ไหมเชื่อฟังผู้นาก็คือเข้าเข้าบวชออกบวชต้องเชื่อฟังผู้นาแล้วก็เรื่องอื่นบ้างละ่ะเรื่องอื่น่ะที่จุลาสั่งไว้เนี่ย COVID, ช่วงโควิดจุลาสั่งไม่ให้ละหมาทิมสิษย์ก้าวคือไม่ให้ชุมนมจะได้โรคมันไม่ระบาดไงใช่ไหมไม่ละหมาทิมสิษย แต่ไปตั้งวงสุบุรีด้วยบุรีตุลาก็บอกว่าฮาราบแล้วเขาจะยังไงเ่าวอ่อนละหมาดละหมาด จ, จะมาฮ้ากันเนี่ยไม่ได้อันี้มีพี่น้องที่จังหวัดหนึ่งเขาบอกว่ามีคนเขาเสียชีวิตบนสุขมีเสียชีวิตบนสุขช่วงปลายโคเวิดนะ่ะคือตอนนั้นนะ่ะตุลาไม่ห้ามละเรื่องละหมาดญานาจาแต่ยังห้ามเรื่องละหมาด มาเก็ันุรขาก็มาละมจนาซสิบอมงมัสยิดเต็มลยจามสกันอะไรก็เต็มมัสยิดเต็มเลละมาจนาซัวคนคนที่เสียชีวิตคนสาคัญหน่อยลมาจนาซเสร็จังเสรจอซาจุมฮก็ดีเฮ้ยกำังบ้านไม่ละมาจุมฮาแต่เฮ้ยจุลามาวการจุาก็ห้ามจริง ห้ามห้ามละหมาดจุมาแต่เราก็ใช้ตะกะนิดนึงอ่ะถ้าไหนไหนเนี่ยเราละหมาดจนาจาระแล้วเราก็ชุ่นุมกันอย่างนี้แล้วแล้วก็อย่างตอนนั้นไม่ห่างกันด้วยนะจนาซารีติดกันเลยพี่น้องที่เล่างงงเลยละหมาดจนาซานีละหมาติดกันติดกันพอถึงละหมาดจุมากับกับบ้านกับบ้านจุลห้ามละหมาดอันนี้ใช่ตะกะของของการเชื่อฟังผู้นำและไม่ใช่ มุนาฟิกนี่ก็แอบอ้างว่าเชื่อฟังนบีแต่พอมาถึงข้อท็จจริงแล้วนะเขาไม่ได้เชื่อฟังท่านนาบีเขาไม่ได้เชื่อฟังท่านนาบีฮะตเจลฮัตลกตุนกระทังความจริงได้มาคือใช้ชนะความสูงส่งของอิสลามได้มาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะสแสดงบทบาทในช่วงแรกที่ม ด, ดีห น, น้าหนโอ้โหฟังมุนาฟิกนี่ ตั้งวงกันเลยตั้งวงนินทานะบีนินท่าสหายบัสใส่ร้ายวางอุบายวางแผนถึงขนาดที่วางแผนใส่ร้ายภรรยาของท่านนาบีว่าทํำจินา่าจนเป็นฟิดหนา้าเหมือนนีนะทั้งหมดเลยนาดนั้ น, นถือว่าเป็นฟิดหนา้าวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่ท่านนาบีได้ประสบในชีวิตจากฝีมือของพวกมุนาฟิตี น, นแต่พอเริ่ม อิสลามเริ่มสูงส่งขึ้นแล้วว่นะเริ่มมีอำนาจอำนาจมากขึ้นเลยนะพวกมูนาบิงก็เลยเข้าทำแล้วเขาวะ ظهر أمر الله وأهُم كاريهن لَبَّمَنْشَاعُوا الله سبحانه وتعالى ได้ประจักษ์ขึ้นทั้งดั้งดีพวกเขาไม่พอใจไม่พอใจที่ศาสนาศา ส, สนาได้ประจักษ์ได้ได้เหนือความปรารถนาความต้องการของพวกเขา a ล l a h ได้เล่าเหตุผลของบางคนที่ไม่อยากออกไปยินฮดกับท่านนบี صلى الله عليه وسلم ว่ามีคนที่พูดว่าถ้าฉันไม่ได้ฟื้นฟูอาณาจักรอิสลามฉันจะไม่ได้รับการยกย่องจากท่านนบีท่านนบีจะไม่ได้รับการยกย่องจากท่านน อย่าให้ฉันตกอยู่ในการทำความชั่วเลยอย่าให้ฉันได้เจอกับฟิตนะเขาบอกว่ า, ว า, ายานี่ถูกประทันลงมากับมุนาฟิกคนหนึ่งชื่ออัลยัดดูบนุอยส์นี่ทราบไหรูรู้กันนะว่าคนนี้เป็นมุนาฟิกนะแต่กูอ่านไม่เอ่ยชื่อเลย ว, ว่ามินุมมีบางกลุ่มที่เขาพูดอย่างนี้เหมือนในวารของท่านนาบีในเะวลาใครทำผิดอะไรท่านอาบีขึ้นมิบัตเ น, นี่ยไม่เอ่ยชื่อนะเฮ้ยทาไมพฤติกรรมแบบนี้มันมีละ่ะ ทำไมมีบางคนเนี่ยชอบทําแบบนี้ถ้าอัน น, น บ, บีเจม่เอ๋ยชื่ออัลจัดดูบนุกไกสเนี่ยมาบอกกับท่านอ บ, บีตออาาภาภา่อหน้าซาฮาบดุลลบีอย่าให้ฉันออกไปสู้กับโร ม, มันเลยเพราะพรรพวกอยากพี่น้องของผมเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยแพ้ผู้หญิงชาวโร ม, มันมันสวยถ้าผมเจอผู้หญิงเนี่ยทุกคนหลงผู้หญิงแล้วก็ไม่ที่ห้าในายุ่งเลยนะท่านอับดุลลีอย่าให้ผมไปเลยมันวุ่นวาย เอ๊ดูมันมันเอาเหตุผลส่วนตัวของเขาเนี่ยมันเป็นความมุ่นวายส่วนตัวของเขาเนี่ยถึงจะจริงกระดำเนีถึงจะจริงกระดำมจจดามะนะแต่จะมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ช่วยเลือท่นนานอับดุลเลาะห์วาเวเซนแล้วก็ให้กองทัพอ่อนแอได้ไงมันเป็นเหตุผลส่วนตัวอัลลอฮฺจึงตอบโต้เขาบอกว่าอัลฟิลฟิตนติสักกตูพวกเขาได้ตกอยู่ในการทําความชั่วนั้นแล้ว เพราะอะไรมันจะไม่มีชั่วกับการทิ้งหน้าที่ทิ้งหน้าที่ที่แน่นอนด้วยเหตุผลที่ไม่แน่นอนหมายถึงว่าเจอหญิงโรมันนี่นะมันแน่นอนไหมว่าจะฟิตหน้าว่าจะหลงหลงหญิงจนะเมียงยงไม่แน่นอนแต่ทิ้งจีฮานนี่มันแน่นอนแล้วแสดงว่าทิ้งสิ่งที่แน่นอนด้วยเหตุผลที่ไม่แน่นอนอืมอเหมือนกันทาไมไม่ละหมาดล่ะ ฉันกลัวดถ้าฉันละหมาดนี่แล้วจะไม่ขุชัวเนีฉันกลัวดูฉันจะละหมาดแล้วมันจะไม่ขุ่ชัวแล้วมันจะบามันไม่ดีไม่สวยงามนี่เป็นต้นทําไมไม่แต่งงานล่ะฉัดฉันกลัวบกพร่องกับภรรยาและลูกนี่ยังไม่มีอะไรเกิดยังไม่มียังไม่มีเมียยังไม่มีลูกเลยนะทําไมไม่แต่งงานอ่ะดฉันกลัวบกพร่องกับกับเมียกับลูกเอาสิ่งที่ไม่แน่นอน ที่ไม่แน่นอนนั่นคือความบกพร่องยังไม่แน่นอนมาทิ้งในสิ่งที่แน่นอนก็คือแน่นที่แน่นอนนี้ก็คือศาสนาสงเสริมไม่แต่งงานแน่นอนแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาจะมาเปรียบเทียบในเรื่องที่แน่นอนกับเรื่องที่ไม่แน่นอนเนี่ยในการที่จะให้มาเป็นเหตุผลในการละเว้นหน้าที่นี่น ตัวอย่างที่ที่ดีมากนะครับที่จะทําให้เราได้เห็นภาพของคนที่เอาเหตุผลส่วนตัวนี่มาทิ้งหน้าที่เดี๋ยวรัศวานอตาลาสังการไว้เขาอ้างเหตุผลฟิดหน้าฟิดหน้ากับผู้หญิงนี่นะอลัลลอฮ์ก็ที่จริงเนี่ยฟิดหน้าที่ใหญ่กว่านั้นก็คือที่ทเขาเอิลลฟิลฟิดนะที่เขาตกไปอยู่ในฟิดหน้าอย่างแน่นอนแล้วก็คือฟิดหน้าแห่งการทิ้งจีห์ในอย่างวิกฤต و อินเจฮันน์มะมุฮิตตุนบิลคาฟรีนว่าฟิตนาจะล้อมจะมะว่าความนุ่นวายความผิดจะล้อมชีวิตมะแต่ที่มันจะล้อมชีวิตอย่างแน่นอนเนี่ยแท้จริงอนุญาตนนั้นจะล้อมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาอยู่แล้วอุลามะจึงบอกว่าทุกคําสั่งที่อัลลอฮฺสั่งเราแล้วนี่นะ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆกับผู้ศรัทธาไม่มีไม่มีคำสั่งสอนของอัลลอฮฺสุบัยน่าวะดาแหละที่ทําให้เราเนี่ยตกต่ําที่ทําให้เราเนี่ยเสียหายในเรื่องศาสนาอัลลอฮฺไม่ได้สั่งให้เราได้ละหมาดเราจะได้เสียหายเรื่องเรื่องเรื่องความศรัทธาหรือเรื่องจริยธรรมศีลธรรมเัลลไม่ได้สั่งให้เราได้ออกจักราจะได้เสียหาย Allah ไม่ได้สั่งให้เราได้ถือสิ้นอดจะได้เสียหายแต่ในกรณีที่มันมีความเสี่ยงจริงๆและมันไม่ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทํากับความเสี่ยงนั้นๆ น, นนะมันก็ไม่ควรทําเช่นมีบางกลุ่มมีพี่น้องบางกลุ่มมีความคิดเห็นบอกว่าดาวน์เนี่ย ดาว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศาสนาใช้ให้ทำใช่ไหมเผยแพ่ศาสนาใช่ด่าว่าทุกคนใช่ไหมใช่ใช่ใชนี่ไงแล้วก็พี่น้องที่เขาอยู่ตามผับตามตามเคราะเกะตามร้านกินเหล้าเนี่ยเราต้องดาว่าเขาไหมมันก็สมควรอ้าก็แสดงว่าเราต้อง เข้าไปในภพไงเราต้องเข้าไปในคาราเกะแล้วก็ไปดาวาอันนี้ไม่ใช่ทำไมในเรื่องสถานที่เนี่ยสถานที่ดาวะเนี่ยเราจะต้องวัดความเสี่ยงกับส่วนได้ของผลงานของการดาวะ เพราะดาวานี่ไม่เหมือนจิฮยางจีฮานนี่มันต้องไปจิหันจุดนั้นมันไม่มีทางเลือกแต่ดาวานี่มีทางเลือกไม่โอยมีทางเลือกอก็รอหน้าคาราโอเกะนี่แหละใครออกมานี่ก็เอาเป็นเหยื่อเข้ามาสิบเลยก็มันก็ยังทำได้ไงแต่หตีดใดอะไรที่จะต้องเข้าไปในพับโห้ยบังเชิญเลยเชิญเลยนั่งๆๆๆเฮ้ยสองขวดครั้งสอ ง, งนะครั้งนั่งอะ คือที่พูดแบบนี้เนี่ยเพื่อเคยบอกเล่าให้พี่น้องฟังว่าเออมีพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็บางทีนี่เขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้จนได้ถึงจุดที่จะจําแนกกันนะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันทําไดออ้พี่น้องที่เคยไปออกไปดาว่าอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาเนี่ยทํางานเป็นนักร้องในผับเป็นนักร้องในผับผมก็ไม่รู้ว่าตอนเขาไปออกดาว่าเนี่ย ทางพี่น้องเขาไม่ได้บอกเขาหรือเปล่าว่าเ อ, อทํางานแบบนี้มันไม่ได้พอมีคนกินเหล้ามีอะไรเนี่ยตัวเองทํางานเป็นนักร้องนึงก็ต้องเขาต้องเล่นเครื่องดนตรีต้องร้องมีผู้หญิงมันเละตุ้มเป้ไปหมดไม่รู้ใครไม่บอกเขาด้วยเปล่าแต่เขาเนิ่งจะก็เลื่อมใสในศาสนาอิสลามแล้วนะเขาเ้าต้องประกาศอิสลามใส่ชุดดาว่านี่ขึ้นเวทีร้องเพลง บางทำอะไรไอ้เขารู้รู้ไอ้เขารู้อยู่ว่านี่เราเป็นใครเราเป็นอะไรบางคือไม่ไปเลยดีกว่าไหมทำไมอ่ะหนึ่งเล่าสองดนงตรีเพลงนี่มันฮารอมมันบบบเอ้าบาปเหรอไม่รู้นี่จะมีจะมีกลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้อิสลามอย่างครบถ้วนนะนะ และเนื่องจากขาดข้อมูลตรงนี้ําให้เขาเนี่ยออกแบบวางแผนชีวิตเนี่ยตามข้อมูลที่เขามีมันก็เลยเละตุ้เป็นเรื่องการเมืองนี่ก็เหมือนกันอาชีพต่างๆนี่ก็เหมือนกันไปเล่นการเมืองแล้วก็ไม่รู้ขอบเขตเป็นยังไงก็ไปร่วมกับพรรคอืนไปร่วมกับกลุ่มกับนักเคลื่อนไหวแล้วก็ สมัครเป็นด่อมด้อมด้อมบรรดาด่อมทั้งหลายนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเงื่อนไขของแต่ละด้อมนี่มันต้องยังไงม่ก็ไม่รู้ไงว่าวางโจดเลยรุ่มทัวร์ไปลงทัวกับเขาแล้วไม่รู้ว่าที่เขไปลงทัวนี่บางอย่างนี่มันมันไปตามไม่ได้มันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่ต้องระมัดระวังอันนี้ก็ต้องประเมินประเมิน ประเมินทางเลือกในการทําหน้าที่ถ้ามันมีหน้าที่ที่เลี่ยงไปเลยนี่ไม่ต้องอิ่างฮัทนี่จะไปสู้กับโรมันนี่ทางเลือกต้องไปแต่นั้นใครจะมาอ้างวู่ไปโรมันแสดงว่าโรมันก็จะมีสาวสาวเขามานป่วยแล้วท่นนี่เห็นสาวนีเน่เห็นผู้หญิงแล้วก็หลงมันจะสู้รบไม่ได้นี่อันนี้เกินแล้วอันนี้มันมันเกินเหตุผลแล้วแต่ถ้ า, าก็มีทางเลือกในการทําหน้าที่สมมติเราเรื่องละหมาดนี่น มาระวังนะไม่มาสิทน้มาสิทธิ์มีงูเห่าตัวใหญ่เนี่ก็ยังจับไม่ได้นะไม่เป็นไรไปละมาที่อื่นโอ้ยทำไม่ละมาดที่มาสิทไม่ละมาท์เลยไม่ใช่แล้วใช่ไหมถ้ายังมีทางเลือกเนี่ยเราก็พยายามหาทางเลือกที่จะทําหน้าที่โดยที่ไม่ต้องเกิดความเสียหายกับตัวเรานะครับตามที่พวก LGBT l g b t q a m s n นีทั้งวมทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเกิดเกิดมาแบบนี้คือทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นี่ยังไม่มีหลักฐานอันนี้พูดแบบแฟรที่สุดนะไม่มีหลักฐานเลยว่าเกิดมาเนี่ยเพศสภาพนี่มันมีจีนหรือมี d n เที่มันสนองเรื่องนี้พูดพูดแบบแฟรนะแบบวิทยาศาสตร์นะไม่มีหลักฐานแต่ถ้าพูดแบบหลักการศาสนานี่นะไม่มีแน่นอน ไม่มีนั่นเพราะ Allah บอกว่า Allah สร้างมนุษย์ขึ้นมานี่นะ ข, าข้กการากรุมเปน זכר ินัวอุนซาเราเกิดมานี่จากเพศชายแลว้วก็เพศหญิงเป็นไปได้ที่เพศหญิงจะมีฮอร์โมนผิดปกติชายจะมีฮอร์โมนผิดปกติฮอร์ โ, โมนที่มันจะรับผิดชอบเรื่องสัดส่วนของสรีระหรือฮอร์โมนที่จะรับผิดชอบเรื่องความรู้สึกต่างๆ อุปนิสัยต่างๆอันนี้เป็นไปได้มันก็เหมือนความผิดปกติของร่างกายสรัตราทั้งหลายคนเกิดมาคนเกิดมามีโฮอร์โมนโฮอร์โมนเกี่ยวกับที่กำกับเรื่องเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรนี่แปรปวนหน่อยก็จะเป็นคนขี้มโมโหอีกคนหนึ่งโฮอร์โมนของเขานี่ โอ้มันเยอะเกินไปทำห้เขานี่เชยมากเนี่ชา้านิ่งไม่ค่อยขยับไปไหนเลยมีวิธีแก้ไขนี่ก็คือรักษาตามสภาพแต่รักษาตามสภาพนี้ให้กลับเหมือนเดิมคือเรามีเคือเรามีที่กลับที่เป็นบรรทัดฐานของเราเกิดมานี่ตกลงเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยอันนี้กำหนดได้สุดวิสัย ถ้ามีอะไรที่มันอาจจะสร้างความสับสนเช่นเช่นเกิดมามีอวัยวะเพศสองอวัยวะเพศอันนี้ก็ยังกําเอียงยังสามารถกําหนดได้นะว่าอาวัยวะเพศไหนที่มันใช้ได้และที่ใช้ไม่ได้อันนี้ก็มีกําหนดที่สุดนี่สมมุติที่สุดนะแต่มันยังไม่มียังไม่ปรากฏนะมีสองอวัยาวะเพศแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองทํายังไงก็สามารถรักษาได้โดยให้เลือกเพศเดียว เพราะเราบอกว่าเรานี่มีเพศเดียวเราจะมีสองเพศไม่ได้หรือเพศอื่นที่ไม่ใช่ชายไม่หญิงเนี่ยไม่ได้ในที่สุดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รักษาได้แต่เป็นเรื่องแปลกไงว่าคนเกิดมาเป็นผู้ชายชัดๆเลยชัดๆเลยนะแต่ก็ไปกินโฮอร์โมนไปกินยาที่จะปรับสรีระของตัวเองให้เหมือนเพศหญิงหรือหญิงเนี่ยไปกินโฮอร์โมนแล้วก็ไปผ่าตัดนี่จะได้เป็นเพศชายอันนี้เนี่ย มันไม่มีด NA อ็นหรือไม่มีอะไรแต่มันมีร้ยแรงกว่าคนที่อ้างวคนนี้ไม่มีศาสนานี่จะอ้างเรื่องด NA แต่ว่าคนที่มีศาสนาหน่อยนะจะเป็นคริสต์หรือมุสลิมอะนะเขาก็จะมีมุกอีกมุกนึงเขาบอกว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้ฉันเกิดแบบนี้อันนี้ก็เหมือนคนที่เกิดมากินเหล้าไม่เป็นสูบบุหรี่ไม่เป็นคือไม่ได้เกิดมาในมดลูกของมันดาร์น สุบบุหรีรู้ว่าต้องต้องเสียบปากแล้วก็พ่นบุหรี่ไม่รู้เขามาเรียนรู้ที่หลังพอสูบบุหรี่างคาไมบางสูบบุรี่น่นก็รอบรอบประสงค์ให้ฉันเป็นคนแบบนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงทำไมทำแบบนี้อังก็รอบประสงค์อันนี้ก็ไม่ต่างไม่ต่างอะไรกับกลุ่มเหล่านี้มันคุยคุยยากคิดจะโยนบาปอัลลอฮฺพูดถึงกลุ่มเหล่านี้ว่าอิดะฟะลูแฟฮเช่นกาลู وجدنا عليها أبا أنا والله أمرنا بها ถ้าเขาทําสิ่งละโมกในโุนอารอฟถ้าเขาทําสิ่งละโมกอนาจารย์อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเขาจะอ้างว่าบรพรพบุรุษเคยทํากันมาและอัลลอฮ์ Allah สั่งเราไว้อัลลอฮ์สั่งเราไว้อ่าเหตุผลนี้เนี่ยมีที่ไหนท้าไห น, าานาละ่ะคือถ้าจะโยนบาปให้คนอื่นตัวเองจะได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปะนะก็คือให้คนอื่นรับผิดชอบไปแต่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยโยนบาปให้อัลลอฮ์สุภาอนะัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เราทําบาปอันนี้ร้ายแรงที่สุด รายแดงที่สุดครับมีคำถามอีกอื่นไหมครับเ <c oughs> ออมันจะมีมันจะมีต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงอไร น, น, น, น, นะนไม่ได้ไม่ได้เป็นซุนนะทีไม่ได้เป็นซุนนะไม่ใช่ทุกอย่างที่มีซอฮาบะเขาเคยทําในแสดงว่าเป็นซุนนะ เพราะเราไปดูว่าสมัยท่านน บ, บีสอดุลลอฮฺสั่งเวลาอื่นนนบีทำไหมก็ไม่ได้ทําคนอื่นนอกจากอับดุลลอฮฺนี่อุเวดุลเลยทำไหมก็ไม่มีใครทําสมัยซาราบ้านี่าในเมื่อสมัยท่านนบีมีซาราบาก็ต้องถ่ายทอดทํำไหมสมัยซาราบาก็ไม่มีใครทําถ้าทําเป็นบางครั้งบางค่าวเนี่ยให้คนเนี่ยได้สํานึกรู้หน้าที่ในเรื่องการฟังขุตบา่าวไปนัวยิบนี่นะก็พูดเป็นบางครั้งบางคร า, าวได้ ไม่ใช่ทุกครั้งแล้วก็ทำเป็นพิธีต้องถือตุกกะแล้วก็ถือผ้าด้วยนะแล้วก็กก่อนที่จะขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้เนะี่ยต้องรับตุกกะแล้วก็รับผ้าก่อนนะอืมไม่ไม่อย่างนั้นก็ไม่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วไนงะแบบนี้มันก็เป็นเพิ่มไอ้แม่คือเรื่องบิดาเนี่ยมันก็จะมันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆทั้งทังดี สาระสําคัญของของการละมาจุมาะนี่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในพิธีกรรมสาระสําคัญของจุมาร์นี่ก็คือคุดบ้านและก็ละหมาดเอาสองเรื่องนี้ให้แน่แต่พอดูนี่เขาใส่สาระสําคัญในเรื่องพิธีกรรมนี่นะพอไปฟังคุดบ้านนี่ส่วนมากกันนะนะฮะไม่มีอะไรเลยผู้ใหญ่บา ง, งค น, นบอกว่าอ่านฉ น, นดกันทั้งประเทศนะคือคุตบ้านเนี่ย จะต้องจะต้องเป็นโอกาสเพราะมุสลิมนี่ทุกคนนี่เขต้องมาละมาดอยู่แล้วโอกาสดีมากสั่งสอนเขาเรื่องครอบครัวสั่งสอนเขาเรื่องปัญหาต่างๆในสังคมมัน ม, มันไม่ค่อยมีไงเนี้ยและเดี๋ยวนี้นะให้ความสำคัญกับคุดบ้าก่อนก่อนขึ้นคุดบะมันจะมีมันจะมีช่วงแถลงการอบัญชี คสี่ขาดไปสองสองใบแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้า น, นี่มีงานนะจะออกกันกี่ร้าน น, ะนะนะนะนี่แต่ลาบางที่ชั่วโมงนะมากกว่ากลับ้านในสิบนาทีแต่นะแหลงการนี่น่ครึ่งชั่วโมงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเนี่ยพอเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันเป็นหลักการจริงๆอะนะเรื่องอื่นนี่มันก็จะมาแย่งซีนแย่งซีน ละหมาดก็เหมือนกันละหมาดสั้นๆละหมาดเร็วๆเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องละหมาดแาให้ความสำคัญกับเรื่องพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนงะวงน้ำชาโน่นะเป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงเลยวงน้ำชานะแต่แปลกนะวงน้ำชาเนี่ยนี่แหละคือคนที่รักษาละหมาดนี่แหละที่ละหมาด ท, ที่ละหมาด ท, ทุกพวกตัวเนี่ยเออก็รักษาละหมาดนะวงน้ำชาเนี่ยวงน้ำชาวง บุหรี่ก็มีอเรืองนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปไหนนี่ก็ต้องพูดนะบางทีเนี่ยไปตั้งองค์น้ำชาแล้วก็สูบบุหรี่กันด้วยในขอบเขตของมัสยิดนี่มันไม่ได้เขาบอกว่ามันอยู่มันอยู่นอกประตูอยู่นอกประตูแต่มันเป็นอนณาเขตของมัสยิดนี่นี่นี่หินอ่อนไหมเนี่ยหินอ่อนเดียวกันมหมเนี่ยหินอ่อนชนิดเดียวกันน่ะแต่มันแค่ประตูไง แล้วคนนี่จะส่งเขวละหมาที่มัสยิดเนี่ยคนไปละหมาดข้างนอกซุนนาข้างนอกแล้วเขามาก็ถี่ว่าละหมาในมัสยิดเป็นหนาขีของมัสยิดออกไปข้างนอกเลยนอกรั้วสินไปสู่บุรีกันนอกรั้วก็ยังหน้าขีดนะมัสยิดฮารอมนี่โอ้เขาให้เกียรติมัสยิดฮารอมออกจากมัสยิดฮารอมนี่ถือบุรีแล้วถือบุรีไม่ขีดแล้วพอพ้นรั้วมัสยิดฮารอมนี่ ถึงมันพ้นรั้วก็จริงๆธรรมนนัาเกียดมันน่าเกียดมากคือไม่ให้เกียรติสถานที่ศสกิดเหื่อมาสิ ท, า, สทารองนะมากนี่ถ้าไม่มีสารใดๆที่เป็นสิ่งเสพติดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาสารที่มันเสพติดหรืออันตรายนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้ามีอะไรที่มันอันตรายอย่างเช่นปูนแดงอะไรพวกเนี้ย อันนี้ก็เอกลุ่มตามสารที่มีอันตรายนั่นไปเลยครับไอหมากหมากบางพื้นที่นี่ก็เป็นสิ่งเสพติดเลยนะอืใช่ความสารด้วยมาเราเนี่ยพวกที่พวกคุณยายเขากินกันเนี่ยที่เขาเคี้ยวเนี่ยปัญหาน่าจะน่าจะปูนแดงอย่างเดียวะแะละเออฟันเสียเลยนะฟันไม่เหลือเลย น, นี่ก็ต้องระวังหนึงนี่ครับอืม ไม่แต่มีนะค่ะแต่บางบังปละเทศพม่าเนี่ยมันมีสิ่งเสพติดด้วยอืมันมีสิ่งเสพติดเมาด้ว ย, ว ย, ววยอือ